หงสุทธจิตสามัญญะ 2. ธรรมวาลหนึ่งปาทนิโรธกาลสัมเพทวาลแปิอนุโลมปุจฉาจิตใดกำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับจิตนั้นก็จกดับไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดจกดับ ไม่ใช่จะเกิดจิตนั้นก็กำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่กำลังเกิดแต่กำลังดับจิตนั้นก็ไม่ใช่จะดับแต่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่จกดับแต่จะเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดแต่กำลังดับมีไหมวิจัชนาไม่มี 2. อุปาทุปันนาวาน 85 apostle, said, mind, no yes. Yes. Ban, ้าอนุโลมปุตชาจิตใดกําลังเกิดจิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุตชาจิตใดเกิดแล้วจิตนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในพังทขณะจิตเกิดแล้วแต่ไม่ใช่กําลังเกิดในอุปาทขณะจิตเกิดแล้วก็ใช่กําลังเกิดก็ใช่อนุโลมปุตชาจิตใดไม่ใช่กําลังเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหม วิจัชนาในพังคขขณะจิตไม่ใช่กําลังเกิดแต่ไม่ใช่ไม่เกิดแล้วจิตที่เป็นอดีตและอนาคตไม่ใช่กําลังเกิดก็ใช่ไม่ใช่เกิดแล้วก็ใช่ปฏิโลมปุชชาจิตใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่ 3. นิโรธุปันนวาน86อนุโลมปุชชาจิตใดกําลังดับจิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหม วิจัชนาใช่ปฏิโดมปุชชาจิตใดเกิดแล้วจิตนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิตัชนาในอุปาทะขณะจิตเกิดแล้วแต่ไม่ใช่กําลังดับในพังค ข, ขณะจิตเกิดแล้วมิก็ใช่กําลังดับก็ใช่อนุโลมปุชชาจิตใดไม่ใช่กําลังดับจิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมวิตัชนาในอุปาทะขณะจิตไม่ใช่กําลังดับแต่ไม่ใช่ไม่เกิดแล้ว จิตที่เป็นอดีตและอนาคตไม่ใช่กําลังดับก็ใช่ไม่ใช่เกิดแล้วก็ใช่ปฏิโรมปุจฉาจิตใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจารณาใช่ 4. อุ ป, ปาทวารแปดสอนุโลมปุจฉาจิตใดกําลังเกิดจิตนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชณาไม่ใช่ปฏิโรมปุจฉา จิตใดเคยเกิดจ so, so, ิต <play> นั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิทัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่กำลังเกิดแต่มิใช่ไม่เคยเกิดในพังคขณะจิตที่เป็นอนาคตไม่ใช่กาลังเกิดก็ใช่ไม่เคยเกิดก็ใช่ปฏิโดมปุจฉาจิตใดไม่เคยเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่กาลังเกิดใช่ไหมวิทัชนา ในอุปาทขณะจิตไม่เคยเกิดแต่ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะจิตที่เป็นอนาคตไม่เคยเกิดก็ใช่ไม่ใช hmm. ่กำลังเกิดก็ใช่88อนุโลมปุจฉาจิตใดกำลังเกิดจิตนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดจะเกิดจิตนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉา จิตใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนะจิตที่เป็นอนาคตไม่ใช่กำลังเกิดแต่ไม่ใช่จะไม่เกิดในพังคะขณะจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่กำลังเกิดก็ใช่ไม่ใช่จะเกิดก็ใช่ปฏิโรมปุชชาจิตใดไม่ใช่จะเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะจิตไม่ใช่จะเกิดแต่ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคะขณะ จิตที่เป็นอดีตไม่ใช่จะเกิดก็ใช่ไม่ใช่กำลังเกิดก็ใช่8ปอนุโลมปุจฉาจิตใดเคยเกิดจิตนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดจะเกิดจิตนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาจิตใดไม่เคยเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิัชนาจิตที่เป็นอนาคตไม่เคยเกิด แต่ไม่ใช่จะไม่เกิดจิตที่เป็นปัจจุบันไม่เคยเกิดก็ใช่ไม่ใช่จะเกิดก็ใช่ปฏิโรมปุชฌาจิตใดไม่ใช่จะเกิดจิตนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมพิจัดชนะจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่จะเกิดแต่ไม่ใช่ไม่เคยเกิดจิต ท, ที่เป็นปัจจุบันไม่ใช่จะเกิดก็ใช่ไม่เคยเกิดก็ใช่ห้นิโรธวาน90อนุโลมปุชฌา จิตใดกำลังดับจิตนั้นก็เคยดับใช่ไหมพิจาชนาไม่ใช่ปฏิโรมปุจฉาจิตใดเคยดับจิตนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจาชนาะไม่ใช่อนุโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่กำลังดับจิตนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจาชนาจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่กำลังดับแต่ไม่ใช่ไม่เคยดับในอุปาทขณะจิตที่เป็นอนาคต strike. ไม่ใช่กาลังดับก็ใช่ไม่เคยดับก็ใ pues ช่ Bunun. ปฏิโลมปุจฉัลจิตใดไม่เคยดับจิตนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัิชนาในพังคขณะจิตไม่เคยดับแต่ไม่ใช่ไม่กําลังดับในอุ ป, ปาทขณะจิตที่เป็นอนาคตไม่เคยดับก็ใช่ไม่ใช่กําลังดับก็ใช่91อนุโลมปุจฉัลจิตใดกําลังดับจิตนั้ น, นก็จะดับใช่ไหมวิจัิชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉัลจิตใดจกดับจิตนั้น ก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่กําลังดับจิตนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาในอุปาถขณะจิตที่เป็นอนาคตไม่ใช่กําลังดับแต่ไม่ใช่จักไม่ดับจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่กําลังดับก็ใช่ไม่ใช่จักดับก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่จักดับจิตนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัชนา ในพังค์ขณะจิตไม่ใช่จักดับแต่ไม่ใช่ไม่กําลังดับจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่จักดับก็ใช่ไม่ใช่กําลังดับก็ใช่ 9.2 อนุโลมปุจฉาจิตใดเคยดับจิตนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัตชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดจักดับจิตนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัตชนาไม่ใช่ นอนุรลมปุตชาจิตใดไม่เคยดับจิตนั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิจัดชนาในอุปาทขณะจิตที่เป็นอนาคตไม่เคยดับแต่ไม่ใช่จากไม่ดับในพังคขณะจิตไม่เคยดับก็ใช่ไม่ใช่จากดับก็ใช่ปฏิโลมปุตชาจิตใดไม่ใช่จากดับจิตนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่จากดับแต่ไม่ใช่ไม่เคยดับในพังคขณะ จิตไม่ใช่จักดับก็ใช่ไม่เคยเกิดก็ใช่ 6. อุปาทนิโรธวาน93อนุโลมปุจฉาจิตใดกําลังเกิดจิตนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดเคยดับจิตนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่กําลังเกิดจิตนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัดชนา จิตที่เป็นอดีตไม่ใช่กำลังเกิดแต่ไม่ใช่ไม่เคยดับในพังฆะขณะจิตที่เป็นอนาคตไม่ใช่กำลังเกิดก็ใช่ไม่เคยดับก็ใช่ปฏิโลมปุชชาจิตใดไม่เคยดับจิตนั้นก็ไม่ใช่กาลังเกิดใช่ไหมวิจชนาในอุปาทขณะจิตไม่เคยดับแต่ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังฆะขณะจิตที่เป็นอนาคตไม่เคยดับก็ใช่ไม่ใช่กำลังเกิ ด, ด, นน ก, ก, ดก็ใช่ 94อนุโลมปุจฉาจิตใดกำลังเกิดจิตนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจตัชญาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดจักดับจิตนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจตัชญาจิตที่เป็นอนาคตจักดับแต่ไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทคณะจิตจักดับก็ใช่กำลังเกิดก็ใช่อนุโลมปุจฉา จิตใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาจิตที่เป็นอนาคตไม่ใช่กำลังเกิดแต่ไม่ใช่จักไม่ดับในพังคาขณะจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่กำลังเกิดก็ใช่ไม่ใช่จักดับก็ใช่ปฏิโลมปุชฌาจิตใดไม่ใช่จักดับจิตนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิัชนาใช่95อนุโลมปุชฌาจิตใดเคยเกิด จิตนั้นก็จักดับใช่ไหมวิตัชชาไม่ใช่ปฏิโรมปุชชาจิตใดจักดับจิตนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิตัชชาไม่ใช่อนุโลมปุชชาจิตใดไม่เคยเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิตัชชาในอุปาทขณะจิตที่เป็นอนาคตไม่เคยเกิดแต่ไม่ใช่จักไม่ดับในพังขัณะจิตไม่เคยเกิดก็ใช่ไม่ใช่จักดับก็ใช่ ปฏิโลมปุชฌาจิตใดไม่ใช่จักดับจิตนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจตัชนาจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่จักดับแต่ไม่ใช่ไม่เคยเกิดในพังคะขณะจิตไม่ใช่จักดับก็ใช่ไม่เคยเกิดก็ใช่ 7. อุปปัชมานั น, นิโรธวาน96อนุโลมปุชฌาจิตใดกำลังเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่กาลังดับใช่ไหมวิจตัชนาใช่ ปฏิโรมปุจชาจิตใดไม่ใช่กาลังดับจิตนั้นก็กาลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาจิตที่เป็นอดีตและอนาคตไม่ใช่กาลังดับแต่ไม่ใช่กาลังเกิดในอุปาทขณะจิตไม่ใช่กาลังดับก็ใช่กาลังเกิดก็ใช่อนุโลมปุจชั่จิตใดไม่ใช่กาลังเกิดจิตนั้นก็กาลังดับใช่ไหมวิจัชนาจิตที่เป็นอดีตและอนาคตไม่ใช่กาลังเกิดแต่ไม่ใช่กาลังดับในพังขัต จิตไม่ใช่กำลังเกิดก็ใช่กำลังดับก็ใช่ปฏิโดมปุจฉาจิตใดกำลังดับจิตนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิตัดชนาใช่แปอุปัชมานุปันนวานเ7อนุโลมปุจฉาจิตใดเกิดอยู่จิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิตัดชนาใช่ปฏิโดมปุจฉาจิตใดเกิดแล้วจิตนั้นก็เกิดอยู่ใช่ไหมวิัชนา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 จิตใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดอยู่ใช่ไหมวิตัชนะใช่ 9. นิรุษชมานุปันนวาน 9. 8าอนุโลมปุจฉาจิตใดดับอยู่จิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิตัชนะใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดเกิดแล้วจิตนั้นก็ดับอยู่ใช่ไหมวิจัชนะใอนอุปาทคณะจิตเกิดแล้วแต่ไม่ใช่ดับอยู <le Consider freedom> ่ ในพังคขณะจิตเกิดแล้วก็ใช่ดับอยู่ก็ใช่อนุโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่ดับอยู่จิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะจิตไม่ใช่ดับอยู่แต่ไม่ใช่ไม่เกิดแล้วจิตที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคตไม่ใช่เกิดอยู่ก็ใช่ไม่ใช่เกิดแล้วก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่ใช่ดับอยู่ใช่ไหมวิจัชนาใช่ สิอุปันุปาทวาน 9.9 อนุโลมปุจฉ้าจิตใดเกิดแล้วจิตนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิตัชชาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉ้าจิตใดเคยเกิดจิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิตัชชาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาจิตใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิตัชชาจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่เกิดแล้ว แต่มิใช่ไม่เคยเกิดจิตที่เป็นอนาคตไม่ใช่เกิดแล้วก็ใช่ไม่เคยเกิดก็ใช่ปฏิโรมปุจฉาจิตใดไม่เคยเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมวิจัตชนาจิตที่เป็นปัจจุบันไม่เคยเกิดแต่มิใช่ไม่เกิดแล้วจิตที่เป็นอนาคตไม่เคยเกิดก็ใช่ไม่ใช่เกิดแล้วก็ใช่100ออนุโลมปุจฉา จิตใดเกิดแล้วจิตนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิตัชชาไม่ใช่ปฏิโลมปุชชาจิตใดจะเกิดจิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิตัชชาไม่ใช่อนุโลมปุชชาจิตใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัชชาจิตที่เป็นอนาคตไม่ใช่เกิดแล้วแต่ไม่ใช่จักไม่เกิดจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่เกิดแล้วก็ใช่ไม่ใช่จะเกิดก็ใช่ ปฏิโดมปุจชาจิตใดไม่ใช่จะเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมวิจัชนาจิตที่เป็นปัจจุบันไม่ใช่จะเกิดแต่ไม่ใช่ไม่เกิดแล้วจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่จะเกิดก็ใช่ไม่ใช่เกิดแล้วก็ใช่สิบเอ็ดอติตานาคตวานหนึ่งร้อยเอ็ดอนุโลมปุจชาจิตใดเคยเกิดจิตนั้นไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิัชนา ไม่ใช่ปฏิโดมปุชชาจิตใดจะเกิดจิตนั้นไม่ใช่เกิดแล้ว yep จิตน <astrolog> ั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัตชนาไม่ใช่อนุโลมปุชชาจิตใดไม่เคยเกิดจิตนั้นไม่ใช่ไม่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิโดมปุชชาจิตใดไม่ใช่จะเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่ไม่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม วิจัชนาะใช่สิองอุปั น, นุปปัจจมานาวานหนึ่งอสองอนุโลมปุต ช, ชาจิตที่เกิดแล้วก็ชื่อว่าเกิดอยู่ใช่ไหมวิจัชนาะในพังคะขณะจิตเกิดแล้วแต่ไม่ใช่เกิดอยู่ในอุ ป, ปาทขณะจิตเกิดแล้วก็ใช่เกิดอยู่ก็ใช่ปฏิโลมปุต ช, ชาจิตที่เกิดอยู่ก็ชื่อว่าเกิดแล้วใช่ไหมวิจัชนาะใช่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 หนึอนุโลมปุจฉาจิตที่ดับแล้วก็ชื่อว่าดับอยู่ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตที่ดับอยู่ก็ชื่อว่าดับแล้วใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาจิตที่ไม่ใช่ดับแล้วก็ชื่อว่าไม่ใช่ดับอยู่ใช่ไหมวิจัชนาในพังค์ขขณะจิตไม่ใช่ดับแล้วแต่ไม่ใช่ดับอยู่ในอุปาทขณะ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 จิตใดล่วงไปทุกๆขณะที่เกิดอยู่ก็ชื่อว่าล่วงการแล้วจิตนั้นล่วงไปทุกๆขณะที่ดับอยู่ก็ชื่อว่าล่วงการแล้วใช่ไหมวิตัิชนาในพังฆาขณะจิตล่วงอุปาทขณะแต่ไม่ล่วงพังฆาขณะจิตที่เป็นอดีตล่วงอุปาทขณะก็ใช่ล่วงพังฆาขณะก็ใช่ปฏิโลมปุชฌาจิตใดล่วงไปทุกๆขณะที่ดับอยู่ก็ชื่อว่าล่วงการแล้ว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 นิเทศแห่งธรรมวานจบ 1. สุทธจิตตะสามัญญะสามปุกคคละธรรมวานหนึ่งอุปาธิโรธกาละสมเพธวาน 1. ร้อยห้าอนุโลมปุจฉาจิตใดของบุคคลใดกำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็จะดับไม่ใช่จะเกิดใช่ไหม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 จิตใดของบุคคลใดไม่ใช่จักดับแต่จะเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดแต่กำลังดับมีไหมวิจาชนาไม่มี 2. อุปาทุปันนาวันหนึอนุโลมปุจฉาจิตใดของบุคคลใดกำลังเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิจาชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดของบุคคลใดเกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม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 ปฏิโรมปุจฉาจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิสััชนาใช่ 3. นิโรธุ ป, ปันนาวาน1 0ึรออนุโลมปุจฉาจิตใดของบุคคลใดกำลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิสตัชนาใช่ ปฏิโลมปุชชาจิตใดของบุคคลใดเกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัดชนาในอุปาทขณะจิตเกิดแล้วแต่ไม่ใช่กําลังดับในพังขคณะจิตเกิดแล้วก็ใช่กําลังดับก็ใช่อนุโลมปุชชาจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมวิจัดชนาในอุปาทขณะจิตไม่ใช่กําลังดับแต่ไม่ใช่ไม่เกิดแล้ว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 วิจัดชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดของบุคคลใดจะเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาจิตใดของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาจิตที่เป็นอนาคตไม่เคยเกิดแต่ไม่ใช่จกไม่เกิดจิตที่เป็นป no ัจจุบันไม่เคยเกิดก็ใช่ไม่ใช่จะเกิดก็ใช่ ปฏิโรมปุตชาจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิตัิชนาะจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่จะเกิดแต่ม่ใช่ไม่เคยเกิดจิตที่เป็นปัจจุบันไม่ใช่จะเกิดก็ใช่ไม่เคยเกิดก็ใช่ 5. นิโรธวานหร้อยอนุโลมปุตชาจิตใดของบุคคลใดกําลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหม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 ในอุปาทขณะจิตที่เป็นอนาคตไม่ใช่กำลังดับก็ใช่ไม่เคยดับก็ใช่ปฏิโรมปุจฉาจิตใดของบุคคลใดไม่เคยดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิสัชนาในพังคขณะจิตไม่เคยดับแต่ไม่ใช่ไม่กำลังดับในอุปาทขณะจิตที่เป็นนาคตไม่เคยดับก็ใช่ไม่ใช่กาลังดับก็ใช่หิ อนุโลมปุจฉาจิตใดของบุคคลใดกําลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิตัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดของบุคคลใดจักดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิตัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะ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 1 1ึอนุโลมปุจฉาจิตใดของบุคคลใดเคยดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็จกดับใช่ไหมวิจชชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตใดของบุคคลใดจกดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจชรนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาจิตใดของบุคคลใดไม่เคยดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหม วิัชนาะในอุปาทขณะจิตที่เป็นอนาคตไม่เคยดับแต่มิใช่จากไม่ดับในพังคขณนะจิตไม่เคยดับก็ใช่ไม่ใช่จากดับก็ใช่ปฏิรมปุจฉาจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่จากดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาะจิตที่เป็นอนดีตไม่ใช่จากดับแต่มิใช่ไม่เคยดับในพังคขณนะ จิตไม่ใช่จักดับก็ใช่ไม่เคยดับก็ใช่ในมุงเรปข้อที่ว่าจิตของบุคคลใดท่านแสดงไว้ในภาวะแห่งตนในข้อที่ว่าในจิตใดแลในจิตของบุคคลใดท่านแสดงไว้โดยอัดอันเดียวกันนิเทศแห่งปุคละธรรมวานจบ 2. ส, สุตันตจิตตมิสกกวิเศษ หนึอนุโลมปุชชาจิตมีราคะของบุคคลใดกําลังเกิดไม่ใช่กําลังดับจิตมีราคาของบุคค ล, น, ล, ลาคาคค น, นั้นก็จะดับไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิเศษชนาะในอุปทาทขณาแห่งปัจฉิมจิตที่มีราคะจิตมีราคาของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดไม่ใช่กําลังดับแต่จักดับไม่ใช่จะเกิด ในอุปาทคณะแห่งจิตที่มีราคะของบุคคลนอกนี้จิตที่มีราคะของบุคคลเหล่านั้นเป็นต้นละ 3. ามอภิธรรมจิตตมิสกวิเศษ 115. อานุโลมปุจฉาจิตที่เป็นกุศลของบุคคลใดกำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับจิตที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็จะดับไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจิตรชนาะ ในยุปาทขศนาแห่งจิตที่เป็นกุศลดวงสุดท้ายจิตที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับแต่จากดับไม่ใช่จากเกิดในอุปาทขศนาแห่งจิตที่เป็นกุศลของบุคคลนอกนี้จิตที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นเป็นต้นละปฏิรมปุจฉาจิตที่เป็นกุศลของบุคคลใดละวิจัชนาใช่ ละหนึอนุโลมปุจฉาจิตที่เป็นอกุศลของบุคคลใดกําลังเกิดไม่ใช่กําลังดับละอนุโลมปุจฉาจิตที่เป็นอภัยกระิษของบุคคลใดกําลังเกิดไม่ใช่กําลังดับละในวงเล็บยมกสคือมูลายะมกจิตตายะมกและธรรมะยะมกดาเนินไปจนถึงสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้ และที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้นิเทศแห่งมิศกวาลจบนิเทศสวานจบจิตไตยมกจบ